ปัญดาเพื่อนบิสุสม็จทั้งหลายได้่าจโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังสำหรับวันนี้ที่บันทึกก็ยังเป็นวันที่ยี่3ยี่สสามกรกฎาคม2527้ายี่ิเจ็แล้วก็การป่วยไข้มาสมบายยังก็เสร็จหน้าจิตแล้วจเจนว่าเวลาใกล้ๆจะจบถสงกระแลมเอไอข่าเสเ ด, ดตจำไลย <c oughs> ทั้งนี้อาการเสมหาในคอมากเหลือเกินแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชีวิตของผมมันจะอยู่ได้สักกี่วันฉะนั้นมีอะไรบ้างพอที่จะคุยสู่กันฟังในชีวิตของผมนับกร น, นี้ไปผมจะพูดไปเรื่อยๆจรงกว่าจะจบเกมพูดตอนปลายทบทวนไปหาตอนตอน้ตนต้นบ้างปลายบ้างเสดงตโอกาสการจังหวะจังหวะที่จะพูดมันจะเหมาะสม เพื่อเล่าสู่กันฟังว่าเป็นเรื่องของลุงตาแก่คนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่เป็นพระก็ยังไม่มีความหมายสำหรับพระด้วยกันมากมายพระด้วยกันอาจจะเพาะส่วนน้อยนะส่วนน้อยจะก็หลายเสียงเขากล่าวหาว่าผมอวดอตรีมนุษทธ์ธรรม ไอการอุตริมนุสธรรมทำอันยิ่งที่บุคคลอื่นไม่มีอันนี้ผมไม่มีอ่ะผมมีธรรมะที่ชาวบ้านเขามีกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาความรู้ที่ผมแนะนํามาแนะนําท่านอานํามาสอนกันในเวลานี้คนอื่นเขาก็ได้มาเยอะเขาได้มาก่อนผมเยอะเขามีกัน และเวลานี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็มีความฉลาดมากมีปัญญามากสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วถ้าคาว่าท่านนั้นหลายไม่รู้ผมก็ไม่โพดอันนี้ท่านรู้ตามแบบฉบับของสมเด็จพระบรมครูคือพระพุทธเจ้า <c oughs> ตอนที่พระมุกลาเจออฮิเปรตหรือเปรตต่างๆ เมื่อพระโมคัลลามาถามท่านมีพระลักษณะถามพระโมคคัลลา <c oughs> พระโมคคัลลาบว่าไปถามเราต่อหน้าพระุทธเจ้าเถิดเวลาที่พระพุทธเ จ, จ้ขขาเทศจบพระลักษณะก็ถามพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาก็สนแสดงก็ถามพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเปรตตนนี้แต่ท้าคดเคยเห็นแล้วตนนั้งแต่วันบรรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณ แต่เวลานั้นคนอื่นยังไม่รู้ตาทาคตก็ไม่กราบพูดแต่เวลานี้มคขลาเป็นพย า, ยานรู้แล้วเห็นแล้วเป็นพย า, ยานตาทาเขาก็กราบพูดท่านเจ้าทรงพยายกรณเหตุความเป็นมาของเปรตหลายว่าทําความชั่วอะไรไว้บ้างอัน <c oughs> นี้ก็เหมือนกันความจริงความรู้นี้ผมได้มาตั้งแต่อายุเจ็ดปี ยังไม่บวดเนยยังไม่บทพระคนก็เืยว่าเป็นนงเป็นเนยมา น, นานน่ไม่จริงไอ <c oughs> อย่างนี้ไม่จริงผมได้ไมาแต่ตอนโน้นผมก็มาเล่าสู่กันฟังตอนนี้แต่ว่าพระเจ้าทรงยืนยันอีกเรื่องหนึ่งที่บรรดาพระทั้งหลายในสมัยนั้นเออ ตาพากันโจทหาว่าพระโมคคัลลาออตุริมนุสธรรมพ้นสภาพเจตความเป็นพระพระวิเลเจ้า ก, ก็ทรงยืนยันว่าโมคคัลลาลูกตาคาคดรู้จริงไม่เป็นอวบตตามนั้นจากนั้นถึงแม้ว่าผมจะมีความรู้อย่างเป็ดไม่เหมือนพระโมคคัลลาก็ามาเล่าสู่กันฟังตามภาษาเป็ด ในเมื่อพูดความจริงท่าจะหาว่าหมดสภาพความเป็นพระ ก, ก็เป็นเรื่องของท่านที่นั้นท่านพูกนั่นกับผมก็เป็นพระ ก, กันคนละพวกผมเป็นพระที่มีความรู้มั่งผมก็มาแนะนํากับพวกคุณท่านถือ ว, ว่าความรู้ที่มีจริงในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่จริงก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านคัดค้านคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าผมหรือท่านจะเป็นเถ็นใบลานเปล่าก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันเองท่านผู้ใดยอยากจะพิสูจน์ก็ได้การพิสูจน์ไม่ใช่มันนั่งถามกันใช้กําลังใจขงเขาเจตุริยญาณเป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องไม่ยากท่านเทศสอนคนอื่นได้ทําไมท่านทําไม่ได้หรืออันนี้ไม่ได้ต่อว่าท่านนะ คุยพวกท่านอันหลายฝั่งท่านอันหลายที่ปฏิบัติแบบนี้ก็ระมัดระวังแบบผมแต่ท่านจะถามว่าในเมื่อถูกโจมตีแบบนั้นผมจะมีความรู้สึกยังไง้เรื่องถูกโจมตีแบบนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่สะเทือนใจผมผมก็มีความรู้สึกตามคำโบราณแต่ว่าคนตาบอดกับคนตาดีแต่ไม่สว่างนัก ต า, าพระพระพังพรานยังรู้จักคนเป็นคนรู้จักสัตว์เป็นสัตว์รู้จักผู้หญิงผู้ชายรู้จักคนขาวคนดำรู้จักคนสูงคนตำ่ำก็มีความรู้สึกมีความเข้าใจต่างกับคนตาบอดคนตาบอดทันถีก็ทําเราไว้ว่าคนตาบอดขำแ้างคนตาบอดสี่คนเธอไม่รู้จักว่าแช่งรูปร่างเป็นยังไง ในเมื่อคนหนึ่งเขาไปจับขาช้างเท่ก็ร้อนแต่โกรธบอกเอ้ยช้างรูปร่ังมันสาวว้อยอีกคนหนึ่งไปจับงางช้างว่าชา้ชางมันไม่แหลมว่ะอีกคนหนึ่งไปจับโัวช้างว่าเอ้ยไม่ใช่ช้างเหมือนปลิงอีกคนหนึ่งไปจับหางช้างรูปป้ไปแล้วว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ชางมันไม่กวาดก็รวามว่าคนตาบอดทั้งสี่คนไม่รู้จักช้างทั้งตัว แต่ว่าคนแม้จะ ต, ตาไม่ดีตาพราดฝ้าตาฟางยังพอเห็นยังรู้จักรูปร่างของช้างไป็นยังไงความเข้าใจมันก็ไม่เหมือนกันดะนั้นคนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถือแต่ตำรา ย, ย่างเดียวก็พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเถ็นใบลานเปล่านั่นก็หมายความได้แต่ใบลานคือตัวเราเสียไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่หมดความสงสัย จึงตรงกันข้ามกับคนที่ปฏิบัติตามมาทมคำสั่งสอนององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีความเข้าใจในคำสอนตามความเป็นจริงบ้างถึงแม้ไม่มากถึงแม้ไม่มากอย่างเปรตๆก็ยังพอรู้บ้างเมื่นก็คนหรือว่าจะเปรียบเทียบแล้วก็แม่ครัวหรือท่านสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้าน คนอื่นคนหนึ่งอ่านตำราทำกับข้าวทงขนนครองข้าวขนมคล่องตัวหมายความแกงอะไรต้มอะไรขนมแบบไหนทำยังไงอธิบายคล่องแคล่วตามตำราแต่ก็ไม่เคยไม่เคยทำกับข้าวเลยอีกคนหนึ่งไม่ได้ปฏิไม่ได้เรียนตำรามากเรียนบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งรับฟังรับคำสอนมาจากวีดามันดา ไห้หูหาอาหารด้วยมือมาตั้งแต่เด็กคนสองคนนี้มีผลต่างกันคนมีแต่จำราไม่เคยได้กินอะไรเลยเอ้คนเริ่มทำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เลิกต้มคลองต้มต้มส้มต้มต้มยำเป็นผลอาหารเล็กๆ น, น้อยเบื้องต้นมาจนถึงที่สุดเขาได้กินทุกอย่างเขาได้ทำทุกอย่างแล้วก็มีความรู้ตามความเป็นจริงข้อนี้ชั้นใด ความหนักใจของผมไม่มีในฐานะที่ท่านหลายโจมตีผมความจริงผมไม่ถือว่าท่านโจมตีผมที่ผมไม่หนักใจผมถือว่าท่านโจมตีพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้ในพระพุทธเจ้าสอนมาในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนมาท่านเห็นว่าไม่ดีท่านก็โจมตีพระพุทธเจ้าเองท่านก็นินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าเอง อาจารย์ถามว่าหาว่าท่านบทนั้นไม่คบความจริงคบหรือไม่คบไม่ได้มีความหมายทั้งนี้อะไรก็เพราะว่าผมบทมาเนี่ยผมเลี้ยงตัวเองนะญาติโยมพุทธบริษัทท่านสงเคราะห์ผมมาพระโปนั้นไม่แต่หน้าก็ยังไม่เคยเห็นกันวาจาก็ไม่เคยกล่าวไม่ได้เข้าบทบุตรสักเม็ดเดียวก็ไม่เคยส่งให้ ผมจะหนักใจอะไรกับคนที่ไม่มีสาระสำหรับผมรวความผมมีความรู้สึกว่าท่านพวกนั้นเหมือนเสษกระอันหนึ่งที่เขาทิ้งแล้วไว้ไกลจากตาผมผมมองไม่เห็นเสียงของท่านจึงไม่มีความหมายถ้าถามว่าถ้าบังเอิญท่านจะรวมตัวกันมากล่าวร้ายกับผม้าให้ผมหมดสภาพความเป็นพระยังไงไงผมก็ไม่หมดสภาพความเป็นพระ ในเมื่อไม่หมบเพื่อท่านในกางการครบผมก็แยกนิกายซะหมดเรื่องผมพร้อมเสมอพร้อมมาหลายสิบปีแล้วอยากจะแยกนิกายแต่ว่าท่านที่ดียังมีอยู่มากผมไม่หนักใจเรื่องนี้ก็มาคุยกันเรื่องบ้า ท, ทองต่อไป <c oughs> วยการบ้า ท, ทองผมนี่ของผมนี่มื้อกว้างขวางมากแต่ก็ไม่มีบรรดาท่านพวกนี้แหละ หาวโอตริมนุสธรรมแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าเวนใครถ้ารู้ตัวขาจะไปคุยที่วัดว่างๆจดหมายมาก็ได้คัดว่าท่านอยู่กันที่ไหนถ้ามีความเห็นยังไงท่านบวชในศาสนาไหนปฏิบัติแบบไหนตามศาสดาของท่านเราอยากจะพบกันจริงๆ น่ามาคุยต่อไปดีกว่าพูดมากจะหนักเพราะคนที่ไม่คบกันในพูดได้หนักยังไงไงผมก็ไม่คบพูดทันปุณณแม่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นประโยชน์สําหรับคนพวกนี้เลยมีแต่ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาพูดเป่าเป่าเป่าเป่ า, ปานนะพูดได้แต่ความดีเบื้องหลังญาติโยมพุทธบริษัทรู้แล้ว อ น, นาคาตังสยานดูก็ได้ว่าท่านพวกนั้นจะตายแล้วจะไปทางไหนเรียบร้อยในปัจจุบันน่ะดตทําความดีความชั่วอะไรไว้ภาพจะปรากฏชัดไม่ต้องรู้จากหน้ารู้แต่เหตุว่าท่านพวกนี้โจมตีผมด้านนี้รู้แค่เนตอยากจะทราบเลยพวกนี้คนนี้คณะนี้ใครมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง อยู่ที่ไหนแล้ก็มี่ความดีความชั่วเบื้องหลังเมีอะไรบ้างกรรมทั้งหลายที่ทำจะสนองท่านเวลาที่ท่านไปแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องไม่ยากแต่ความจริงเวลานี้คริววตรเขารู้กันเยอะเนี่ยผมเอาความรู้อันนี้มาแจกครวัตก็เป็นความรู้เล็กแต่น้อยในพุทธศาสนา จะทำให้มนดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุนโดยทุนนามีความเข้าใจในพระศาสนาเลือกนาที่ดีหวานพืชจะได้มีผลมากมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนมโนมยิทธิก็เหมือนกันหาว่าผมทำเลเลยเถิดไปอุตริมโนสธรรมแต่ผมจะไ่แปลกอะไรในเะมืายยา่อญาโยมพุทธบริษัทท่านทำกันได้มนดาพระสงค์ทั้งหลายทากันได้เป็นของไม่แปลก เป็นไ้ว่าพึ่งเข้าใจว่านักบวชที่จะแสดงว่าแต่งตัวคล้ายคลึงกัน <c oughs> บางทีทำหน้าตาเหมือนฟาอาหารแต่ภายในบางทีมันเลวยิ่งกับเปรกก็มีที่ก็มาคุยกันเรื่องทองคำทองคำแหล่งที่ว่านี้แสดงปฏิหารบ่อยๆความจริงไม่ใช่ทองคำแสดงเป็นเทวดาที่รักษาแสดง เรื่องเป็นอย่างนี้ในเมื่อถึงการเวลาที่ไปพบทองคำที่นั่งเขา้ผาผงก็ถามท่านถามท่านทามาราชแต่องค์ที่ตอบก็คือท้าวเวสสวรร์ <c oughs> ถามว่าทองท่านหลายเหล่านี้จะมีประโยชน์กับประชาชนชาวไทยเมื่อไหรเวลานี้ประเทศชาติอยู่ในความยากจนเขินใจคนแรงแค้นประชาชนน่าจะพึงได้ ฉะ้ก็แต่ว่าถ้าให้าชายชนคนไทยเวลานี้คนไทยเกือบจะไม่เหลือเลยจะตายก็เกือบหมดทั้งชาติส่วนที่มีชีวิตอยู่ก็จะตกเป็นทาสของชาติอื่นก็เลยถามว่าทองนี่มีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนท่านบอกว่าทองก็แค่วัตถุจะมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนไม่สำคัญสำคัญว่าคนไทยจะยังมีความโลภ เห็นทองเข้าก็แย่ฆ่ากันหนักมันแรกดีบุกที่เขาศูนย์แล่ดีบุกที่เขาศูนย์นย่ะฆ่ากันตายกันเป็นร้อยแต่ว่าถ้าทองคำเนี่ยมันจะตายจะเกือบทั้งชาติมึงแย่งกูกูแย่งเมึง่างมากันไปฆ่ากันมาถ้ากําลังชาวไทยอ่อนลงเพราะขาดความสามัคคีมีความโรคเป็นเหตุ ก็จะทำให้ต่างประเทศบุกรุกเข้ามาไม่มีใครจะต่อต้านได้คนนี้สุดทองทั้งหมดจะเป็นของชาวต่างประเทศน่าดูเลยคนไทยที่เหลือก็ต้องเป็นท้าเขาไอ้ทองก็ไม่ได้กินก็จะไม่มีกินเขาจะใช้อย่างท้าทายเขายึดคมขูอย่างท้าทยท่านบอกว่าถ้าคนไทยดีกว่านี้เมื่อไหรทองนี้ใช้ได้เหมือนนั้น ถามว่าปริมาณทองมีสักกี่ตันแต่บอกแต่บอกว่าถ้าหมื่นตันนี่มันยังไม่หมดถึงครึ่งโอ้โหแล้วทองคําธรรมชาติไม่มีคําว่าหมดมันยั ก, ก่อตัวเกิดอยู่เสมอถามว่าเหตุที่ทองก่อตัวเกิดเป็นตัวก็อาศัยอะไรเป็นเหตุท่านก็บอกให้ฟังแต่ผมจะไม่บอกในเวลานี้ <c oughs> ใครถามต่อไปก็ไม่บอกเฮ้ยกวิชานี้นักธรณีวิทยาเขาทราบไปอยู่แล้วธรณีวิทยา ม, มีความรู้ด้านดินมันน่าจะทราบว่าทองเกิดจากอะไรเขาจะรู้ผมก็ขี้เกียจเอาไอ้ตำลาเป็ดๆไปพูดให้เขาฟังหลังจากนั้นแล้วผมก็าถามถึงทองทั่วประเทศ เราก็พาดูหมดทั้งทองคำธรรมชาติทั้งทองที่ปรงแต่งแล้วล้อมแล้วเป็นสร้อยก็มีเป็นแท่งก็มีอเป็นเพชรนินยินดาเยอะแยะรวยจักผมนึกนึกยิ้มในใจว่าแค่ทองอย่างเดียวประเทศไทยก็เป็นมหาเศรษฐีของโลกแล้วไม่ต้องแร่อื่นอย่างน้ามันอีกอย่างแก๊กอีกอย่างแร่ต่างๆโ อ, โอ้มหาสาล ผมยิ้มบ้าอยู่คนเดียว เ, เรื่องทองนี้ใครไม่ยังไม่มีใครว่าบ้าน่ยผมบอเลยต้องบ้าคนเดียวยิ้มยิ้มชื่นใจว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าคนไทยจะดีตอนนี้มาผลของการฝึกมโนมยิธิผมอยากจะพูดก็พูดซะตอนนี้เลยว่ามีผลดียังไงมโนมยิธินี่เป็นความดีทางวัศาสนา จะต้องคนที่ได้จะต้องทรงศีลบริสุทธิ์หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายตายแล้วถ้าเราทำดีไว้เราก็จะไปสู่ที่ดีทำชั่วไว้แล้วก็ไปสู่ที่ชั่วที่มีทุกข์เรียกว่าถ้าอยู่ก็อยู่เป็นคนดีตายเป็นผีก็เป็นผีดี เมื่อมีความรู้สึกว่าจะต้องตายเราจะไม่ยอมคำว่าตายไม่ยอมไปอม า, ายภูมิก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงเป็นที่พึ่งมีความเคารพแน่นอนนี่หลักสูตรหลังจากนั่นก็มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์จริงๆต้องหนึ่งไม่ทำลายศีลด้วตนเองสองไม่ยุยง ส, งส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลสามไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทาลายศีลแล้ว <c oughs> ใ น, นเวลาต้องการให้จิตสะอาดเบื้องตน้นก็ต้องระ ง, งับนิวนรณห้าประการได้ทันทีทันใดยามปกติจะไม่ยอมนิวนรณ์ห้าประการเป็นเจ้านายบังคับใช้จิตของเราจิตของเราต้องมีกําลังเหนือนิวนรณห้าประการไว้เสมอนิวนรณ์ห้าประการคือมึองไม่เมาในรูปเสียงดินรถสัมผัสเกินขอ้อดีสอง ไม่คิดประทุษร้ายบ่าคนอื่นสามไม่ง่วงเวลาทำความดีสี่จิตไม่พุ่งสั้นพุ่งพล่างเกินไปใช้กำลังใจคิดอยู่ในขอบเขตของความดีห้าไม่สงสัยผลการปฏิบัติของความในความดีหลังจากนั้นต้องสงอารมณ์ตามนี้อีกท่านนั้นหลายที่ฟังจำไว้นะครับ หาว่าท่านทรงอย่างนี้ไม่ได้สมาธิความรู้ต่างๆที่ท่านได้ไมาจะสลายตัวถ้าทรงไม่ได้ผมขอยินยันว่าต้องการใช้มเมลไยก็มีวันนั้นอารมณ์อารมณ์มต่างๆที่ท่านได้ไว้ทั้งหมดจะทรงตัวตลอดไม่ตลอดเวลาไม่ถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าขึ้นไปหลังจากนั้นกาลังใจของท่านนั้นต้องทรงพรมิหารสี่เป็นปกติ เพื่หนึ่งจิตคิดว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนแลสัตว์ทั้งหลายไม่คิดประทุษร้ายใครมีแต่ความรักไม่ใช่เกลียดเห็นคนก็รักคนเห็นสัตว์ก็รักสัตว์เห็นวัตถุ ก, ก็รักวัตถุไม่คิดทําลายทรัพย์สมบัติของใครหมด <c oughs> และราการในสองกรุณามีความสงสาร ตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์เพื่อนลมโลกให้มีความสุขต่งกำลังถ้าโอกาสมีทรัพย์สินมีปัญญามีถ้าเขาขาดวัตถุเรามีวัตถุเราจะให้วัตถุถ้าไม่มีวัตถุเราจะให้แรงกายช่วยถ้าแรงกายเขาไม่ต้องการเราจะให้แรงปัญญาช่วยเป็นปัจจัยสร้างความสุขร่วมกัน แล้วก็สามมุตุตาเราจะไม่อิจฉาที่เสียไข่ห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยถ้เบียคาห็นคนอื่นเพี้ยงพรมเราจะไม่ซ้ําเติมไม่มีทุกข์มากไปกว่านั้นเราจะวางเฉยจะจิตพร้อมจะช่วยเหลือไปเสมอนี่นักเจริญมโนยิธิทุกคนต้องทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติคําว่าปกติมันทุกลมให้ใจเขาออกให้ทรงตัว อย่างนี้สมาดผลเขาสมาธิทิมได้จะไม่มีการเสื่อมแต่ว่าผมก็ไม่ยืนยันว่าทุกคนที่ก็ฝึกไปได้เนี่ยเขาจะรักษาได้ทุกคนบางคนก็ปล่อยสลายตัวสักมีบางคนก็ไม่มาเอาจริงเอาจังมาแค่วันเดียวปุ๊บปั๊บปั๊ บ, บ, บแล้วก็ไปคล้ายๆจะมาลองท่านพวกนี้ผมถือว่ายังไม่จริงจังกับพระพุทธศาสนา ไม่ใช่โดยเกนวังคับไม่อยากไม่ใช่อยากให้เขามาพูดปฏิบัติแต่ว่าผลก็ผพู้ปฏิบัติมีอยู่แล้วใครก็ทํ า, าทไปอย่างนั้นไม่ใช่ก็สลายตัวเมื่อสลายตัวกข้าแล้วกำลังจิตจะกลุ่มจะมีความวุ่นวายจะดึงไม่กลับความสามารถความความรู้ที่มีอยู่ดึงไม่กลับก็มีอาการกลุ่มแล้วก็หลายคนกลับเป็นปฏิบัติกับพุทธศาสนาอันนี้ก็มี ดังนั้นสำหรับคนดีมีอยู่พผมคิดว่าคนในโลกนี้ผมเกิดมาหนึ่งชีวิตทําให้คนเข้าใจพระศาสนาเพียงคนเดียวผมพอใจก็เรียกว่าถ้าเขาผู้นั้นมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็เขาผู้นั้นตั้งใจมีความเคารพในพระพุทธเจา้าประธรรมพระอริยสงฆ์จริง ทรงสินห้าบริสุทธิ์จริงสามารถระ ง, งับเปนวอนได้โดยฉับพลันทรงพร ม, มิหัรสี่จิตตั้งไว้ได้ด้านความดีโดยเฉพาะว่าเราต้องการพันิพาณแค่นี้เป็นคนเดียวผมคิดว่าชีวิตนี้ผมได้กำไรได้กำไรชีวิตที่คนดีมีอยู่อย่เท่านีน้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คนที่รับการฝึกไปรักษาตัวไว้ได้จริงๆ มีนับเกินแสนแสนได้เกินแน่แต่ถ้าว่าจะจะเกินไปเท่าไหร่ผมไม่ทราบแล้วพวกนี้ที่ฟังทำได้แล้วมีความรักใครมีความสามัคคีกันดีเป็นกรณีพิเศษดีกว่าไปเทศสอนเป่าเป่าเป่าเพราะว่าผมเทศเคยเป็นักเทศมาเทศเท่าไหร่ไม่สามารถจะทําให้คนมีกําลังใจดีขึ้นมาได้ ไปเมื่อไรคนนั้นก็กินเหล้าอยู่ตามเดิมท่านี้พอมาฝึกมโนยิทธิเขา้าดีจริงๆ <c oughs> มีหลายคนพอคิดว่าคนที่เขาจะทำได้ต้องเป็นคนมีศีลห้าบริสุทธิ์บางคนอยากจะทำบ้างก็เลิกเหล้าเลิเลกฝิ่นมาเลยทําตคนเป็นคนดีตลอดมาและบางคนยังไม่รู้รลีลาเข้ามาถึงอ้าว็ขาห้ามกันแบบนี้เือ ก็เลยไม่แปลกใจทำกับเขามั่งกับพอดีเขาไว้ด้วยเป็นอันว่ามโนยิทธินี่เป็นครูเป็นแบบฉบับที่ดีเป็เครื่องเตือนใจนรกอยู่ที่ไหนรู้จัก <c oughs> และก็รู้ว่าตนเองเคยตกนรกขุมไหนมาบ้างใครทําบาปความชั่วอะไรตกนรกขุมไหนมีโทษยังไงเห็นพบมาเอง เป็นเปรตเป็สุรกายเป็นเศรษฐนเพรากรมอะไรสร้างแล้วนอกจากนั้นยัรู้เรื่องของคนอื่นด้วยเวลาลงบรรกอยากจะรู้วใครที่เป็นญาติเป็นพวกเป็นพ้องกันมีไหมในโลกผม น, นี้ต้องการทราบจะพบทันทีแล้วก็จะเรียกมาคุยกันได้แต่เวลานี้ญาตโยมที่จหลาดผมก็เสียวๆเหมือนกัน เสียวเสียวความสามารถของญาติอยู่ท่านไปนรกท่านก็นขอดูพระในนรก น, นี้ชื่ในใจมากว่านารกขุมนี้มีคนที่เคยเป็นพระมีโทษระหว่างเป็นพระตายแล้วมีไหมขอดูสภาพเป็นพระเหลวครับขอดูพระที่เคยรู้จักชื่อที่มีชื่อเสียงไดอเคยรู้จักตัวมีไหม ปรากฏว่าพบทุกรายบางรายดีกว่านั้นอีกท่านใช้อานาขตังสียานถามตรงพระว่าพระองค์นั้นที่ยังไม่ตายเนี่ยเวลานี้ถ้าตกถ้าตายแล้วจะไปสวรรค์นรกภาพก็ปรากฏนรกบ้างในสวรรค์บ้างที่องนบ้างและขอดูผล การกระทำของท่านปุณณ น, นั้นตั้งแต่เริ่มบทมาทําอะไรบ้างปรากฏภาพชัดเมื่อโดโทรทัศน์นี่ที่ว่ า, านี่ไม่ใช่ตาศีแต่สายคนรู้คนที่มีปัญญานะี่ยที่เรายกย่องเสันนิษาท่านได้ปิญญาบ้างท่านเป็นด็อกเตอร์บ้างนี่ท่านรู้กันแล้วก็ญาติโยมพุทธไวสัยก็รู้ตามเวลานี้เข้าใจเรื่องพระมากบางคนถึงมาถามว่า ไอ้การเลี่ยไร่การบอกคุณนมันเคยทําเป็นประจำเพราะคนที่บอกชอบกัน ท, ทํายังไงก็เพราก็เป็นกําลังใจของญาติโยมอันนี้มาเรื่องเขาศรัทธามนันห้ามการให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลกับการให้ทานคนที่มีศีลบริสุทธิ์ค่าต่างกันหลายแสนเท่ายิ่งให้ทานกับคนที่มีความบริสุทธิป์ประของจะมีค่าสูงมาก บางท่านเจดิยาเรียบร้อยหน้าเรียมสายหน้าไหวนาบูชาแต่ลูกหลานไปดูเข้าโดดป่องประโยชน์อาเวจีมานรกอันนี้เป็นที่น่าภูมิใจที่พระเจ้าทรงประกาศพระศาสนาให้นักบวชไปปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นปูชนิยบุคคลเป็นบุคคลชจะบ้านคนบูชา ถ้าพลาท่าพลาดทางแบบนี้้าวบ้านรู้บบนี่จะได้เลือกนานาเนื้อนาบุญได้ตามชอบใจใครอยากได้นานดอนก็ทำบุญกับนาดอนใครอยากได้นาลุ่มก็หวานข้าวหวานพืชกับนาลุ่มใครอยากได้นาดีก็หวานพืชผลกับนาดีก็เหมือนกับคนที่อยากได้บุญมากก็ทำบุญกับพระที่มีศีลบริสุทธินน์มีฌานสมาบัติเป็นพระอริยะตามขั้นไป ใครอยากได้นรกไวเป็นปัจจัยไปสมบัติก็ทําบุญกับ น, นักบวชที่ไม่มีสินก็หมดเครื่องราวให้บรรดาญาโยามบ ร, ริษัทตัดสินใจเอาเองแต่ท่านผู้รับฟังอย่าลืมนะผมเองก็เสียวๆเหมือนกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมลงทมตายแล้วจะลงนรกคมไหนท่านนั้หลายจยมจะคิดว่าผมเป็นผู้พิเศษนะครับ ผมเองก็ดกเด็กปลอกเด็ ก, ด ก, ดกสงสัยเพื่อนกันว่าขาข้างใดข้างหนึ่งมันแย่ลงในขุมมนหรือเปล่านี่ขอท่านทั้งหลายที่รับฟังโดยเพะอย่างยิ่ยงเพื่อนบิณฑาสมณะเองอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราดีแล้วสีคติที่องค์สมเด็จพระที่เปี่ยมสรงตรั์ว่าอัตนาโจทย์ยัตาัง จงกล่าวโทษโจ์ความผิดไว้เสมอเราจะได้ไม่ผิดต่อไปและบรรดาท่านทัง้งหลายวันนี้บ้าเรื่องทองพอสมควรร่างกายก็ยังไม่ดีสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลา ก, ก่อน <c oughs> ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบันดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี